คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนำโซเชียลแลบขับเคลื่อนการเรียนในยุค 4.0 ส่งนักศึกษาปี3ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนแก้ปัญหาการตลาดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์นาฏรพีชัยมงคลคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้เริ่มนำห้องปฏิบัติการทางสังคมหรือโซเชียลแลบ นำนักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีไปช่วยเหลือชุมชนแก้ปัญหาการตลาดสะท้อนผลงานผ่านกิจกรรมนิทรรศการมาร์เกติ้งเดย2018ที่ผ่านมาปินสรินพัฒอัครวีรนนท์หนึ่งในทีมนักศึกษาที่ได้โจทย์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนอัทบีขนมกงจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่า กลุ่มตนได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทำการตลาดออนไลน์จัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นกลุ่มของตนเองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในงาน Marketing Day 2018บรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งมีบทบาทด้านการสื่อสารทางการตลาดจึงได้ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจตอบโจทย์ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคโดยเลือกนำเสนอความเป็นไทย ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้รับคำเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วยตนชอบเรียนลักษณะนี้เนื่องจากเรียนแล้วได้สามารถนำความรู้มาใช้ได้จริงและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือระหว่างกันและกันขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชนอัธวีขนมกงที่ให้ความอนุเคราะห์และเปิดใจเรียนรู้ไปด้วยกัน รวมถึงขอส่งกำลังใจให้วิสาหกิจชุมชนทุกรายโดยเฉพาะขนมไทยโบราณได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งปรับตัวก้าวทันสังคมและดำเนินต่อไปได้ดาริสารักุลเง็กรายงานประษณีไทยแจ้งปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือปอนทแจ้งปิดการให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2561ถึง1มกราคม2562จำนวน3วันซึ่งที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์จะปิดให้บริการทุกแห่งทั่วประเทศ ประสานีไทยจึงขอแนะนำผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากส่งสิ่งของผ่านประษณนีให้ใช้บริการล่วงหน้าโดยบริการประษณีด่วน EMS ต้องส่งภายในวันที่25ธันวาคม2561เพื่อนำใจ่ายให้ทันก่อนปิดทำการทั้งนี้เพื่ออำนนยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฝากส่งสิ่งของทั้งในและระหว่างประเทศในช่วงวันหยุดดังกล่าว ปรษณีไทยได้เปิดจุดให้บริการ2แห่งตลอด24ชั่วโมงได้แก่ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานดอนเมืองสอบถามราลยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1น4 5รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชเชโมงคนทันยบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป